ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระพุทธิยานกำลังนำเสนอประวัติของพระพุทธเจ้ามาถึงตอนสัสรูและทรงเปล่งพระพุทธอุท ธ, ธานที่ท่านถือว่าเป็นปฐมพุทพุทหรือเป็นรับสั่งครั้งแรกหลังจากสัสรูอนุตรสมาสัมโพธิยาน แต่ถ้าพูดถึงลำดับการแล้วก็เป็นการเปล่งมาหลังจากบรรลุอสวกญาณก็มีความต่อเนื่องถึงกันติยานที่บอกไว้ในวันก่อนว่าข้อความตรงนี้หรือพุทูฐานตรงนี้ไม่ปรากฏในพระไตรปิดกแต่ปรากฏอยู่ในอัตถกถา ก็ยังมีความรู้สึกทรมองพระไัยบิดกเป็นองรวมว่ามีเรื่องเป็นอันมากที่ยังไม่ได้บรรจุไว้แล้วตัวกัตันก็นำมาบรรจุไว้ในระดับอัตกรถาแต่ที่มาจริงๆก็คงมาในสมัยพุทธกาลแหละตัวอย่างเช่นเช่นชาดกอย่างเงี้ยชาดกก็มีอยู่เฉพาะตัวคาถา แต่เรื่องทั้งหลายนั้นอยู่ในระดับอัตตนตรกถาตัวคาถามันก็ประกอบด้วยไตรปิฎกเพียงสองเล่มแต่พอขยายเอาไปก็กลายเป็นอัตรกถาทั้งสิบเล่มแต่ข้อความเหล่านั้นถ้าเราดูให้ดีก็จะเห็นว่าเป็นรับสั่งเล่าย่อบางพิสดารบางทีนี้ข้อความเหล่านั้นเมื่อเราจะเล่าเนี่ยไม่จาเป็ น, นี่ต้องเขียนไว้ก็ได้ เวลาเราเล่าเราเล่าย่อก็ได้เล่าพิสดารก็ได้ก็แล้วแต่คือไม่จำเป็นจะต้องพิสดารเสมอไปแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องย่อเสมอไปมันก็ไปอนุโลมตามคอยตามผู้ฟังต่นั้นเราจึงพราบว่าชาดกที่ค่อนข้างพิสดารมากๆแล้วข้อความมีรายละเอียดแย้กก็คือเรื่องของปกทศชาติ ก็ท่านเรียงตามลำดับมาตั้งแต่คาถาหนึ่งคาถาสองคาถาก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนพระเวสสันดรชาดกไม่มีคาถามากที่สุดคือพันคาถาแล้วก็มีอยู่ชาดกเดียวที่มีคาถาตั้งพันก็ข้อความเลยก็วิจิตพิสดารแล้วกลายเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา แล้วนั้นข้อความเหล่านี้จะอยู่ในพระไตรปิฎกหรืออยู่ในเทกถาก็คือพระพุทธศาสนาเพระกรอบของคาว่าพระพุทธศาสนาสรงใช้คำว่าเอตังพุทธานาัสตร์แปลคำสอนของพุทธทั้งหลายเรือ่อผู้รู้ทั้งหลายตองนั้นตัวพุทธานตรงนี้เป็นข้อความคล้ายๆกับสรุป ผลจากพระยานสามข้อแรกที่ทรงสัสรูคือเป็นการพูดถึงสังสารวัตที่โรงทรงประสบมาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในวิธีชีวิตเป็นเรื่องที่ทรงประสบมาตามกระบวนการของกรรมแล้วก็ทรงรับสั่งยืนยันสถานภาพของพระองค์หลังจากได้บรรลุอาสวักยานแล้ว เพราะว่าจากจุดนั้นเนี่ยเป็นการหลุดพ้นที่ไม่กําเริบวรชาติของพระองค์คือชาติที่เป็นเจ้าชายจิตตถะเนี่ยเป็นพระชาติสุดท้ายแล้วก็นัตถีดานิปุญญภพโอคือภกใหม่ก็ไม่ได้มีวรเนื้อหาสาระก็ตรงกับพระญาณทั้งสามประการวิธีการสื่อสารน่า จ, จะต่างกันนะะเพราะว่าอธิบายพระญาณอธิบายด้วยร้อยกรอง อธิบายด้ร้อยแก้วนะอธิบายพุทธทานเป็นอธิบายเป็นฉันทะคือร้อยกรองตอนก็ทาให้มีความเผยเราะสละสลวยแตกต่างกันจะคงเนื้อหาสาระไว้ในที่นี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่นะคือหลังจากที่ รงได้สัสรูและทรงปริ่งพระพุทธอุทานเนี่ยในขณะที่เสด็จประทับอยู่ภายใต้ต้นประสีมาโพธิเนี่นเด็๋เรต้องเข้าใจนะว่าจริงๆต้นไม้ต้นนั้นไม่ใช่ชื่อว่าสีมาโพธิชื่อว่าอสัตถพฤกแต่ว่าโดยหลักว่าพระพุทธเจ้าศัสรูณนะต้นไม้ใดต้นไม้นั้นเรียกว่าโพธิโพธจึงแปลว่าปัญญาเครื่องศัสรู จะหมายถึงว่าเป็นที่เกิดของปัญญาเครื่องสัสรู้แห่งองค์สมเด็จพ ร, ระภุมิีพระพักจาก็ได้ในการต่อมาเราก็เรียกว่าต้นโูธิ์ในชื่อเดิมจริงๆก็เรียกว่าอัสัตตพฤึกอัศสัทธะนะครับพลึกก็คือต้นไม้ต่มีเหตุการณ์สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่ก็มีรายละเอียดแยกก็ยังไงยังไงเราก็ อยู่ในกรอบของได้รุ่มพระโพธิญาณอยู่แล้วแล้วตรงนี้ก็คือต้นจริงๆนะฮะต้นโพจริงๆจะควรจะนําท่านทั้งหลายไปศึกษาในรูปที่ค่อนข้างละเอียดเตวต้องก่อนได้เอาช่วงที่รับสั่งเล่าแก่โพธิราชกุมารแตว์ช่วงเนี้ยจะเอาที่รับสั่งเล่าแก่พระภิกษุ ก็ข้อความเนี่ยก็สอดคล้องกันนั่นแหละแต่ว่าเวลาเล่าแก่ภิกษุก็ค่อนข้างเป็นเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคเพราะว่าพระท่านมีพื้นฐานมีวุฒิภาวะมากพอที่จะฟังก็ไม่เหมือนที่รับสั่งแก่ผู้ตราชกุมาโรโูธิราชกุมารท่านก็เป็นชาวบ้านเมืนพื้นฐานการปลื้ปลืออบรมมาในด้านศ า, าสนาสําหรับยุคนั้น น, นนะครับ เราก็ยิ่งยอดไม่เหมือนกันก็ความตรงนี้ปรากฏในสังยุตติกายปุตตมาสูตรคือพระสูตที่ว่าด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระมาหาสกยาปุตรปุโคตามาโคต คนนี้รับสั่งเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังถึงความเพียรพยายามของพระองค์ในการทำความรู้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัตรูความว่าพรงทรงประวิตกุกปัจโลบนนี้ถึงความยากและความเกิดแก่ตายและอุบัติเมื่อยังเป็นเช่นนี้อยู่ก็ยังไม่อาจรู้ทำ อนำออกจากทุกข์คือชราโมนตนี้ได้การออกจากทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าทรงปริวิตกตอบไปว่าเมื่อจะเมื่ออะไรมีชรามนณะจึงมีและชรามรณะนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยทาให้ได้ใจความด้วยอุบายอันแยบคายแล้วก็ชัดเจนด้วยปัญญาในช่วงตงัวนี้ที่จริงก็เคยประรบมาในช่วงหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขยายความ ก็ขยายความถือว่าคือข้อความที่จริงซ้ํากันนะี่ยนะครคือเป็นการทรงพิจารณาปฏิจจสมบาทในยามสามแห่งราตรีแล้วก็จบไปรอบหนึ่งต้งสายเกิดสายดับจะทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นมาครั้งหนึ่งจบไปครั้งหนึ่งก็เปล่งพุทธอุทานขึ้นมาครั้งหนึ่งจบครั้งหนึ่งก็เปล่งพุทธอุทานครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันสถานภาพของพระที่เรื่องของปฏิจจสมุบัติ คงมีวิธีแสดงอยู่ก็ประมาณสักสี่วิธีนะฮะจากการสังเกตวิธีหนึ่งก็คือแสดงจากหัวมาเลยหรือแสดงจากอวิชามาเลยแล้วก็ลากไปถึงปลายคือชราบารณะแต่บางทีไม่ใช่อย่างนั้นคือเรียกเรียงมาจากชราบารณะเลยล้วก็ย้อนขึ้นไปที่โคนไปถึงอวิชาแต่บางคราวก็ส่งแสดงตรงกลาง อาจจะเอาตอนสัมผัสอาจจะเอาตอนเวทนาอาจจะเอาตอนตัณหาก็แล้วแต่นะอาจจะเอาตอนอาหารก็ได้แล้วจะลากขึ้นบนหรือลากตรงล่างก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราตัดปฏิจจสมุปบาทออกไปเป็นสามตอนคือจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันแล้วก็เรื่องอนาคตก็ในเชิงเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะว่า คือถ้าเราจะสรุปว่าทมทั้งปวงสรุปลงที่ปฏิจจสมุปบาทก็ได้นะเพราะจริงๆปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจทั้งสีประการเพียงแต่ว่าเป็นศึกษาพิจารณาในรูปของปฏิกิริยาลูกโซ่ที่หนุนเนื่องกันไปเรื่อยๆว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดใกล้ๆกับน้ำไหลไฟสว่างคลื่นกระแสคลืน กระแสลมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆมันเป็นกระบวนการที่ทยอยกันมาเปลี่ยนคลื่นคือมีความต่อเนื่องถึงกันแล้วในที่สุดก็ส่งได้บทสรุปว่าเมื่อชาติมีอยู่ชราและมรณะจึงมีเพรา ะ, ะแสดงว่าชรามรณะนี่มีเพราะชาติคือความเกิดเป็นปัจจัยแล้วปัญหาว่าความเกิดเนี่ยมันมาจากอะไรก็ตั้ง คำตอบก็เกิดขึ้นว่าเมื่อพบมีอยู่ชาติจึงมีผลแสดงว่าชาติคือความเกิดเนี่ยมีเพราะพบเป็นปัจจัยก็ตั้งปัญหาถามต่อไปว่าอุปาทานเนี่ยไอพบเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วในสุดก็สาวไปถึงอุปาทานว่าเพราะอุปาทานมีอยู่นี่พบจึงมีทีนี้ในที่สุดก็ถามว่าอุปาทานละ่ะมันมาจากอะไรก็เพราะตัณหามีอยู่อุปาทานจึงมี ก็ตั้งปัญหาถามต่อไปเลยว่าไอ้ตระหานี่มาจากไหนบอกว่าเมื่อมีเวทนาอยู่เวทนามีอยู่ตระหาจึงมีก็ถามต่อเวทนาละมาจากไหนเวทนามันก็มาจากภาษะเพราะฉะนั้นเมื่อภาษะมีอยู่เวทนาจึงมีแสดงเวทนาก็มีเพราะภาษะเป็นปัจจัยทีนี้ถามต่อไปไว่าภาษาการกระทบจะมาจากไหน ก็ได้คําตอบว่าเมื่ออาณาเมื่อสลายตนะมีอยู่นะ่ะอาณาหกนะนะสลายตานะแปลว่าอาณาหกมีอยู่พรรษะจึงมีก็แสดงว่าพรรษะมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยทีนี้ปัญหาถามว่าอสลายตนะอาณาหก ต, ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่มันมาจากไหนมันก็ได้คําตอบว่าเมื่อนามรูปมีอยู่เนี่ยอาณาหกก็มีเพราะสลสายา สลาญาตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยก็ได้คําตอบนะทีนี้ปัญหาสําคัญว่านามรูปล่ะมันมาจากไหนก็ได้คําตอบว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะฉะนั้นแสดงว่านามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยแล้วปัญหาว่าวิญญาณล่ะมาจากไหนก็ได้คําตอบว่าเมื่อสังขารมีอยู่เนี่ยวิญญาณจึงมีเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยแล้วก็ถามต่อไปสังขารล่ะมาจากไหน ก็ได้คําตอบว่าเมื่อวิชามีอยู่สังขารจึงมีแสดงว่าวิชามีเพราะสังขารเป็นปัจจัยทีนี้ได้บางทีก็อาจจะถามต่อไปแล้วว่าอาวิชามาจากไหนท่านก็บอกว่ามาจากพระวัตรฐหาพระถามใบใหม่ว่าพระวัตหามาจากไหนแล้วก็มาจากอาวิชตาทีนี้น่ะมันก็เข้าใกล้กระขาแล้วทีนี้ประเด็นตรงนี้ตามปกติแล้วเนี่ยมันเป็นการ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นวิถีชีวิตเราในแต่ละวันในแต่ละขณะหมายความว่ากระบวนการของพูดง่ายๆนะฮะพูดโดยสรุปตรงนี้ที่จริงเราก็สรุปเป็นสามคำ น, นั้นนี้ก็เรียกวิเลษกรรมวิบากมันก็กลายเป็นวัฏตะที่หมุนวนในช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็กลายเป็นภพชาติต่างๆชาติก่อนชาติปั จ, จุบันชาติหน้าก็หมุนกันไปอย่างเงี้ย แล้วก็ตกลงว่าไม่รู้ชาติไหนเป็นชาติไหนปัญหาวันนับตรงไหนล่ะเช่นสมมติรชาติปัจจุบันในปัจจุบันไหนล่ะเพราะในอดีตมันก็เป็นชาติปัจจุบันในแต่ละชาติแต่ละชาติเดี๋ยมันก็เป็นปัจจุบันมาแล้วทางนั้นทีนี้ต่อมาในอนาคตเมื่อแกมาถึงข้าวแกก็เป็นปัจจุบันปัจจุบันเป็นปัจจุบันเสร็จแกก็เป็นอดีตดังนั้นตรงนี้จึงเป็นวงกลมวงกลมที่หาหาจุดจบไม่ได้ บางอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนแล้วก็ยากนิดหน่อยแต่ว่าพอดีท่านสาธุชนทั้งหลายที่ฟังรายการทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็เป็นนักธรรมะแล้วก็หัวข้อทั้งหลายก็เป็นเรื่องธรรมะทั้งนั้นขออยังนึกว่าน่าจะทำความรู้จักที่ค่อนข้างพิสดารแล้วคงจะนานบอสมควรในประการแรกก็คือเราควรจะทาความรู้จัก กับองค์ธรรมทั้งสิบเอ็ดหรือสิบสองก็ตามราจะนับไปสิบเอดก็ได้สิบสองก็ได้นะในแต่ละชื่อในกระบวนการของปัจจัยการหรือปฏิจจสมบาทเนี่ยคือคำว่าปัจจัยการก็ดีคำว่าอิทัพปัจจยตาก็ดีเป็นคำที่เราพบในช่วงหลังแต่ในพระบาลีจริงจริงเนี่ยบาลีพุทธวจนะจะเรียกว่าปฏิจจสมบัติ พืติธรรที่เป็นปัจจัยของกันและการอาศัยกันและการเกิดขึ้นก็หมายความว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมก็ถยอยกันไปอย่างนั้นคำว่าอาวิชชานั้นเป็นรากงาของสรรพกิเลสตามปกติแล้วเราจะพบอวิชชาในแปดประการเป็นบทสรุปรวมคือว่ามนุษย์เรามันเกิดมาจากอาวิชชา คือมีความชัดเจนที่ ว, ว่าเกิดมาถึงแแบมาถึงนี่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยมืดตึ๊ดตืต้อเลยก็อาศยการเกอะอิงจากแม่จากแพทย์จากพยาบาลอะไรต่ออะไรตอนต้นๆเนี่ยก็แล้วแต่แหละก็ตัวหลักก็คือแม่แม่จึงได้ชื่อว่าเป็นบุรพอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่ลูกแล้วเราก็ถามอยู่เรื่อย จนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคําถามนะฮะเกิดแสดงว่าเรายังมีวิชาเยอะเลยใครเราก็หาคําตอบได้ไม่หมดอะไรเราก็หาคําตอบไม่ได้ไม่หมดที่ไหนเราก็หาคําตอบได้ไม่หมดแล้วก็เมื่อไร่เราก็หาคําตอบได้ไม่หมดจึ่งพออย่างไรทําไมเพราะเหตุใดโอ้โหปายกันใหญ่ได้ประโยชน์ยังไงเป็นโทษอย่างไงเนี่ยิงหลับกก็เรียกว่า สับสนวุ่นวายวิจิตพิสดารมาอาวิชชาตามปกติตจะแสดงอวิชชาแปดแปดชุดหลักนะฮะคือชุดหลักที่จริงมันมันเราจะมองตรงกันข้า ม, ามกับวิชาก็ได้แต่ว่าความวิชาหลักเนี่ยมันมันมีอยู่แปดประการเหมือนกันตรงกันข้ามกับวิชาแปดก็กลายเป็นอวิชาแปดแต่คงจะเอาชุดหลักอ่าชุดหลักก็คือ ว่าไม่รู้ในทุก์ไม่รู้ในสมุทยัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในอริมัคปิยองแปดประการดูคกล้ๆจะเป็นเรื่องง่ายนะแต่ลองสังเกตในแง่ของความจริงโลกทั้งปวงเนี่ยมันเป็นอริยสัต์แล้วถ้าเราแบ่งเป็นวิชาการที่เราศึกษากันในปัจจุบัน เราแบ่งเป็นสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์แล้วก็ย่อยไปเยอะแยะไปหมดเลยนะถามว่าย่อยในยึดโยงกันอยู่หรือเปล่ามันก็ยึดโยงกันอยู่คือไม่มีอะไรแยกไปได้เด็ดขาดหรอกเพียงแต่ว่าเป็นจุดเน้นวันนี้คือเศรษฐกิจอันนี้คือสังคมอันนี้คือการเมืองอันนี้คือจิตวิทยานี่คือการศึกษา น, นี่คือรัฐศาสตร์ น, นี่คือนิติศาสตร์ก็แยกกันไปนะมันก็ทั้งหมดก็คือสังคม แต่สังคมมันก็เกี่ยวกับธรรมชาติอยู่เพราะจริงๆเนี่ยบุคคลภายในสังคมเองก็เป็นผิดผลจากธรรมชาติเพียงแต่ว่าภายในจิตใจของบุคคลมันมีกระแสของกุศลนะกุศลนะก็กลางๆอยู่เพรา ะ, ะเราจะเห็นว่าไอ้ส่วนที่เป็นธรรมชาติในแง่ของความจริงก็คือทุกข์กระสัแต่ถามว่าเรารู้จากเขาหรือเปล่า เราก็รู้ไม่หมดและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคำว่ารู้ในกรอบเนี่ยมันต่างกัน ร, รู้ในความหมายของพระพุทธเจ้า ก, ก็คือต้องกำจัดกิเลสได้ต้องลดกิเลสได้นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเช่นเรารู้ว่านี่พ่อนี่แม่นี่ พ, พี่นี่น้องนี่มันจะต้องลดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่ย่าตายาย ถ้ายังความมีความโกรธต่อพ่อแม่มีความริษยาต่อพ่อแม่มีความอาฆาตพยาบาทต่อพ่อแม่แสดงว่ามันก็ย่งมืดตึ๊ดตื้อยอะไรเพราะความรู้เนี่ยต้องข้าจัดตัวไม่รู้แล้วตัวไม่รู้เนี่ยเป็นเหตุของกิเลสเห็นไหมว่าที่เราเข้าใจาเรารู้ธรรมชาติเรารู้จักกฎเกณฑ์ธรรมชาติรู้วิทยาศาสตร์อะไรอะไรเวลานี้เราฟังแล้วเนี่ยมัน อ, อสัตว์โลกนิฮหรู้โหดมาก แล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยคุณภาพเสื่อมลงไปใหญ่เลยนึกดูยังมีข่าววันก่อนข่าววันที่เทรายวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกันนะฮะสิบเจ็ดกันยาเนี่ที่มีข่าวว่ามีเรืออะไรลากหอยลากวาด ท, ที่ดินนะพื้นทะเลนะ โมโปนหมดเลยระบบนิเวศ ร, ระบบสัตว์ระบบปะการังอ ะ, ระอะไรต่างๆใต้ทะเลเีทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลนี่ปนปีหมดเลยเพื่อจะเอาหอยอะไรนั่นเองนั่นคือลักษณะฆ่าช้างเอางามันไม่คุ้มอะไรเลยนะไม่มีอะไรคุ้มขึ้นมาเลยนั้นแสดงให้เห็นแต่ว่ามันเป็นเอาวิชาที่มืดบอดแล้วก็โลภจนไม่ได้คิดอะไรเลย บอกว่าเป็นคนอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดทางภาคตะวันออกก็ไปจับทางอ้าวนาครก็ประเทศไทยอ่ะก็ประเทศไทยคล้ายๆคนไทยที่ไปตัดไม้ขมิ้นแล้วตัดไม้พามา่าแล้วบอกโอ้ยไม่ใช่บ้านเราก็คือการนั่นนะแล้วก็ดินแดนมันก็ดินแดนคือกันานะดินก็คือกัารนะมันเป็นแบ่งด้วยเรื่องของการเมืองมันเรื่องของภูมิศาสตร์แต่ภูมิศาสตร์ความเป็นภูมิศาสตร์เนี่ยก็ยังเป็นอันเดียวกัน การที่เป็นดินแดนประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยมันข้อยุติที่ไหนแล้วมันก็แบ่งกันไปแบ่งกันมาอยู่ฝึกมาลงตัวกันไม่กี่ปีนี่เองเวรนี้ก็ยังแย่ ง, ย ง, ยงดินแดนกันอยู่นั่นคือลักษณะของอวิชชาเตมืดบอดในะด้านเหตุผลสติปัญญาเพราะงั้นมันจะกลายเป็นแรงผลักดันเกิดตัณหาเกิดสารพัดอยากได้อยากมีอยากเป็นจนไม่คำนึงถึงวิธีการ หลักการวิธีการในการได้ที่เราเคยพูดตกเฉียงกันอยู่แล้วก็ไปปลายกันอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างชัดมากที่เราพูดถึงหลักเกณฑ์หลักกูเห็นไหมว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยที่จริงมันมีแต่ว่ามนุษย์เนี่ยพอจิตใจตกต่ำลงไปเนี่ยมันจะใช้หลักของตัวเองก็ไม่รู้แล้วขอให้ฉันได้ก็แล้วกันเน่ะมันได้ไม่จะไม่คำหนึงถึงเรื่องอย่างอื่นได้จึ่งเป็นความคิดที่น่ากลัว แล้วก็เป็นอันตรายต่อสังคมที่เราอยู่อาศัยปัญหาสําคัญว่าที่เราคิดว่าเรารู้เนี่ยก็คือเรายัางไม่รู้เพราะรเพราะเราไม่ได้ลดโลภโกรธหลงลงไปเลยไม่ลดริษยาอาฆาตลงไปเลยอย่ามีความรุนแรงมีความแบ่งแยกที่แรงพราะในวิชามันก็คงไม่อยู่ แต่ก็อย่างที่รู้กันนะว่าอาวิชชาเนี่ยคนที่ทำลายเขาได้เด็ดขาดจริงๆมันมีเฉพาะปาราหันเพราะวาความรู้ไม่รู้ในริศสีเนี่ยเราอยู่กับเขาเราอยู่ในทุกขสัตย์แต่ไม่เราอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากสูญเสียแถามว่าเรารู้จักเขาไหมเราก็ไม่รู้จักนะ เพราะอะไรเพราะเราเดือดร้อนเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเพราะพลัดพรากสูญเสียถ้า ร, ารู้จริงเราก็ไม่เดือดร้อนก็แก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาพลัดพ ร, รากก็ธรรมดายัางปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเรามองโดยวิชามันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นเองแต่มันท้าทายภูมิธรรมสติปัญญาของเราในการแก้ไข เพปัญหาทั้งหลายจึงมีเพื่อให้เราแก้ไม่ใช่เรากลุ่มให้ไม่ตกกังวลให้ท้อถอยให้หมดอะไรตาายากแม้ในเวทวงพอเอาก็จึงพอเราย่อยแล้วเนี่ยเราไม่รู้สักข้อนึ่อริยสัจสีรู้ไม่ตลอดเลยสักข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทุกข์สมุทยัยนิโรธหรือมากกันเพราะว่าถ้ารู้จริงเนี่ยมันจะไม่มีทุกข์กับสมุทยัย แต่แน่นอนว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่จะทําได้ไง่ายทั้งก็สอนในในรูปของการพยามบรรเทาบรรเทาตัณหาหรือบรรเทาสาเหตุของปัญหามาความมาตัณหานนําไปสู่ปัญหาแต่ถ้าเราลดตัณหาปัญหามันก็ลดปัญหามันก็ลดปัญหาก็คือตัวทุกข์ทุกข์มันก็ลดแล้วเราก็อยู่กับธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ เราไม่มีปัญหาเรื่องนิเวศไม่มีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆหรือมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขบรรเทาให้ลดน้อยถอยลงไปได้ทั้งฟังทั้หลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญก็งามไพบูรณ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี